พวกเราแต่ละคนนลว่าเป็นผู้ที่มีโชคที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดที่ลอยคอยอยู่กลางมหาสมุทรและมหาสมุทรนั้นเนี่ยมันมีแอกหรือว่าห่วง สมัยก่อนไม่มีห่วงยางนะมันเป็นห่วงไม้การที่เต่าตาบอดนั้นเนี่ยซึ่งร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาผิวนา้าสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วประจบเหมาะกับที่โผล่มาตรงกลางห่วงพอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งนะลวอวันที่หนึ่งเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะถูกเนี่ยยากอยู่แล้ว การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นเนี่ยหลายร้อยหลายพันเท่านะแล้วเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเราก็ยังมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผ่านพบสิ่งดีงามต่างๆมากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคที่ประเสริฐที่ เกิดกับเราการที่เรามีชิดยืนยามาถึงวันนี้เนี่ยมันหมายถึงเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวเราได้ผ่านการละเวลามากันคนและไม่ใช่น้อยประสบการณ์ที่เราได้ผ่านพบมาตลอด สามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหรือหกสิบปีหรือบางคนน้อยกว่านั้นเนี่ยมันล้วนแต่เป็นของมีค่าคำถามที่เราควรถามเมื่อเรามีชีวิตได้ผ่านโลกได้ผ่านประสบการณ์มาจนถึงวันนี้ก็คือว่าเราได้นะจะเลยงอกงาม ในทางคุณธรรมความดีและสติปัญญามากน้อยเพียงใดขนาดหัวเผือกหัวมันเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นความสูญเปล่านะแต่ว่ามันหมายถึงหัวที่ใหญ่ขึ้นลำต้นที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถที่จะทำเป็นประโยชน์หรือเกิดประโยชน์เนี่ยได้มากมายแค่สามเดือนเท่านั้นนะหัวเปือกหัวมันก็ใหญ่แล้วและเรานะซึ่งผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาคุณธรรมแล้วสติปัญญาของเราได้เพิ่มพูนงองเงยมากขึ้นเพียงใด นี่เป็นคำถามที่เราควรถามตัวเราเองโดยเพราะเมื่อผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละอาทิตย์ผ่านไปแต่ละเดือนหรือผ่านไปแต่ละปีในเราเดียวกันเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่เราควรจะมีคุณธรรมแล้วก็ปัญญาเพิ่มขึ้นนั้นนั้นแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็หมายความว่า ชีวิตเราก็หดสั้นลงไปทุกทีเวลาที่เราเหลืออยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปนะจนเหลือเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้คําถามก็คือว่าในเมื่อเรามีเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีเนี่ยสิ่งที่ควรทํา เราได้ทามากน้อยเพียงใดนะความดีที่ควรบำเพ็ญเนี่ยเราได้ทำมากไหมหน้าที่ที่เราควรทำความรับผิดชอบที่เรามนะีได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปมากน้อยเพียงใดนะอันนี้เป็นคำถามที่เราควรถาม ตัวเราเองนะเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลงทุกทีถ้าเราไม่ถามตัวเราเองด้วยคำอย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะทำ หน้าที่ที่ควรทำให้เสร็จสิ้นหรือว่าทำภารกิจการงานต่างๆให้แล้วจบได้เลยหลายคนเนี่ยกว่าจะรู้หรือว่าก่จะประจัก์แจ้งแก่ใจว่าเวลาเหลือน้อยลงเนี่ยก็ทำอะไรแท่ไม่ได้ละเพราะตอนนั้นเนี่ยมันหมายถึง 1นึงปีหรือหกเดือนหรือสามเดือนเราคงเคยรู้จักเพื่อนรู้จักญาติพี่น้องที่เขาพบ ว, ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วหมอบอกว่ามีเวลาอยู่แค่3เดือนเท่านั้นแหละหรือมีเวลาอยู่แค่หกเดือนเท่านั้นแหละ แต่ก็ยังดีนะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยนะผ<ม>ู้ที่ขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางนะเ<ม>ช่นเครื่องบินเ h 3 7 0จดูนหรือเครื่องบิ น, นของเจ็ดวิงใช่ไหมที่ บินข้ามประเทศเพื่อจะไปทำงานเพื่อจะไปพบคนรักเนี่ยบอกว่าไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเครื่องบินตกชนภูเขาหรือว่าระเ บ, บิดกาดกาะก่อนคนเหล่านั้นไม่รู้ตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่รู้เลยว่าเวลาของตัวเองเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในโลกนี้มารู้ตัวก็ตอนที่ื่องบินกำลงกังจะตกอีกไม่กี่ นาทีข้างหน้าสิ่งที่ควรทำไม่อาจจะทำได้แล้วบางคนเคยคิดจะขอโทษพ่อแม่ขอโทษคนรักขอโทษเพื่อนและคิดว่ายังมีเวลานะอีกหลายเดือนมีเวลาเป็นปี เสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ทำพัดผ่อนไปซะสุดท้ายมารู้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าความตายมันมาเร็วมากเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีเนี่ยนะสำหรับเราแต่ละคนเนี่ย มันมีความหมายต่อไปว่าความตายกำลังใกล้ตัวเราทุกขณะทุกขณะสิงที่เราควรถามอีกข้อหนึ่งคือว่าเมื่อความตายมาถึงเราพร้อมหรือยังที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความตายนี่เป็นคำถามที่เราควรถามนะ เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าความตายเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่เรารู้แต่เพียงว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีอาจจะมาถึงสิบปีกว่าจะมาถึงอาจจะมาถึงอีกห้าปีอาจจะมาถึงอีกปีหน้าหรือว่าอีกไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นการขู่เป็นการแช่งนะแต่มันเป็นเป็นความจริงมันคือความแม่แนยำหนาของชีวิตที่ไม่มีใครร่วงรู้หรือตอบได้หลายคนคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่ายังหนุ่มยังสาวหรือบางคนแม่อายุ60 70แล้วก็ยังคิดว่าความตายไกลตัวอยู่ แต่มันมีคำพูดของมันมีพัสิุทธิทเบสเนี่ยกล่าวไว้นะน่าฟังมากบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาถึงก่อนเราจะไปคิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยมีชาติหน้านะเพราะว่าสหรับบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหลายคนทีเดียว วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้ประมาณว่าหนึ่งแสนห้าหมืนคนนะทั่วโลกนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาไม่มีพรุ่งนี้แล้วพ้นจากวันนี้ไปก็คือชาติหน้าเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแสนห้า ที่ว่าหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันคือความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะผ่านพ้นพรุ่งนี้จนกว่าจะผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วละเออเราค่อยแน่ใจได้ว่าเราไม่ใช่หนึ่งในแสนห้าที่จะต้องจากไปในวันนี้แต่ถึงแม้เราจะตื่นขึ้นมาแลพาะพวอตัวมีลมหายใจในวันพรุ่งนี้ เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหนึ่งในแสนห้าที่ต้องตายในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้คือความไม่แน่นอนของชีวิตนะที่เราต้องตระหนักอาตมาได้ตั้งคำถามอยู่สามสามคำถามนะหนึ่งเนี่ยการที่เราได้มีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ย เราได้สร้างสมคุณธรรมความดีและสติปัญญาเพิ่มปูนขึ้นหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคงจะชวนเราคุยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาชวนเราคุยเรื่องนี้แต่สองคำถามนะอันนี้อยากจะให้เรามาพิจารณากันในวันนี้ก็คือว่าในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยลงนะ เราได้ทำความดีมาเพียงพอหรื อ, อยังนะหน้าที่ที่ควรทำเราทำเสร็จสิ้นหรื อ, อยังนะความรับผิดชอบที่เรามีเนี่ยนะเราทำแล้วเสร็จหรื อ, อยังนะนี่เป็นคำถามชุดแรกนะที่อยากจะมาชวนคุยกันในวันนี้ คำถามชุอที่สองคือว่าในเมื่อความตายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราไม่รู้ว่ามันใกล้แค่ไหนอาจจะใกล้เป็นปีอาจจะใกล้เ ป, ปจจกลเป็นเดือนใกล้เป็นอาทิตย์ใกล้เป็นวันหรือใกล้เป็นชั่วโมงก็ได้คำถามมีข้อเดียวคือแลวถ้ามันมาวันนี้วันพรุ่งเนี่ยเราพร้อมที่ประเชิญกับมันหรื อ, อยัง คนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าเวลาของตัวเองเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีส่วนใหญ่มักจะบ่นกันว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามากกว่าคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยส่วนใหญ่นะหรือว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดหรอกว่าเวลาเขาเหลือน้อยลงคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ย เอาเวลาไปใช้กับการทำมาหากินนะสะสมเงินทองนะหรือไม่ก็นะใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวหรือว่าปลนเปลือหาความสุขสัยตัวและคนที่พูดว่าไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่มีฐานะ กมีการศึกษาพบ ว, ว่าคนยิ่งรวยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะก็จะไม่ค่อยบ่นเรื่องนีนะ้เราไปถามชาวชนบทชาวบ้านเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยบ่นนะว่าไม่ค่อยมีเวลาคนที่อันนี้เป็นการศึกษาพบ ว, ว่า ยิ่งบนว่าไม่มีเวลามากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งแสดงว่าเขามีนะมีการศึกษาสูงมีฐานะการเงินดนะีประเทศไหนที่ประชาชนบนว่าจํานวนมากบ่นว่าไม่มีเวลานั่นแะสดงว่าประเทศนั้นเนี่ยประชาชนมีฐานะการเงินเศรษฐกิจที่ดีนะนี่มันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอยู่ อันนี้ก็ไม่บ่นว่าไม่มีเวลามีเวลาเพราะว่าเขาเอาแต่ทำงานหาเงินและที่เอาแต่ทำมาหาเงินเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะราะนั้นเนี่ยก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ว่างก็จะใช้เวลานั่นในการทำมาหาเงินนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเวลาสําหรับการ ที่จะไม่มีเวลาที่จะให้กับลูกไม่มีเวลาที่จะให้กับครอบครัวไม่มีเวลาไม่กระทั้งจะให้กับตัวเองนี่เป็นปัญหาของคนสมัยใหม่มากนะแต่ต่อคนเหล่านี้เนี่ยได้แต่นหนักว่าเวลาของตัวเองเหลือ น, น้อยลงไปทุกทีเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยอาตมาเชื่อเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขจะไม่เอาแต่ทํามาหากินนะเพราะเขารู้ว่าเขาคงได้คิดว่าเองเงินทองที่สะสมมาหรือหามาเนี่ย ตายแล้วก็ไปไม่ได้นะเขาจะเปลี่ยนนะเาจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะจากการที่หาเงินหาทองมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมาให้เวลานะกับครอบครัวนะให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับลูกรวมทั้ง หันมาให้เวลากับการทำความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลเคยมีพิธีกรที่เมืองไทยคนหนึ่งเนี่ยสักยสิปีที่แล้วเนี่ยเป็นพิธีกรที่มีชื่อมากก็ยังหนุ่มนะจบจากอเมริกาแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แกก็เลยคิดว่าจะขอทุ่มเทเวลาสักยี่สิบปีให้กับการทำมาหาเงินเพราะว่าตอนนี้กำลังขาขึ้นตอนนี้นแกมีครอบครัวแล้วนะมีสามีภรรยาและลูกแกคิดว่าแกจะขอทุ่มเทให้ ก, การทำมากี่วันสักี่สิบปีหลังกากนั้นเนี่ยแกจะหันมาให้เวลากับลูก ห, หันมาให้เวลากับครอบครัวแต่พวกร่างจาที่ทุ่มเทไปประมาณสิบปีก็พวกร่าตัวเป็นมะเร็งก็หมายความว่าแกไม่สามารถจะทำอย่างที่ตั้งใจคือว่าทำงานครบ20ปีแล้วจะมีเวลาให้กับลูกแกก็พยายามที่จะรักษาตัวให้หายแต่ก็รักษาไม่หาย เมื่อตอนที่แกใกล้ตายเนี่ยแกแกบอกว่าเนี่ยถ้าแกมีเวลาถ้าแกมีเวลายืนยาอยู่ไม่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยแกจะขอใช้เวลานั้นเนี่ยกับครอบครัวกับลูกตั้งสองคนแกคิดว่าแกรู้แกพบว่าตัวแกพลาดไปที่หันมาทุ่มเทกับงานการจนลืมครอบครัวทำไมแกคิดอย่างนั้นเพราะแกคิดว่า แกคงมีคงแก่ตายพูดง่ายแกคงมีชีวิตยืนยาวนะอาจจะอยู่ถึง70ปีอยู่ถึง80ปีได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอการที่จะทุ่มเททำงานจนกระทั่งอายุ50แล้วเวลาที่เหลือให้กับครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่แกไม่รู้นะว่าจริงๆแกอยู่ไม่ถึง80นะแกอยู่ได้แค่50นิดหน่อยเท่านั้นนะ แต่นี่ก็น่าก็เป็นน่าเห็นใจเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะมีอายุขายนานเท่าไหร่ในโลกนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวหลายคนก็เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ า, าเาตืเอนตัวเองสักหน่อยว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกทีนะและถามตัวเองว่าทําความดีมาพอหรื อ, อยัง ถามตัวเองว่าหน้าที่ที่ควรทำกับคนที่เรารักเราทำดีแล้วหรือยังเช่นให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับลูกให้เวลากับคนรักหลายคนเนี่ยอย่างที่ตะมาบอกนะก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เวลาเพราะเขาคิดว่าวันหลังก็ได้ การถัดพรแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยเสียใจมานักต่อ น, นักแล้วเพราะพบว่าตวเงพลาดไปมีมีพยาบาลคนหนึ่งนะใกล้ชิดกับ ใกล้ชิดกับป้ามากนะเพราะป้านี่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่พอเธอไปเรียนพยาบาลเิ่นพอเธอเรียนมัธยมแล้วก็ไปต่อพยาบาลอีกทีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกับป้าไม่มีเวลาไปเยี่ยมป้าแล้ววันนึงป้าก็ป่วยหนักป้าก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอเป็นพยาบาลอยู่ป้าป่วยหนักจนเข้าห้อง ICU แต่เธอไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมป้าเลที่ห้อง ICU งานเยอะก็ตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะจะไปเยี่ยมจะไปดูแลป้าแต่พอถึงวันพฤหัสมีเพื่อนชวนไปเที่ยวพัทยาเธอเป็นคนภาคกลางแต่ไม่ค่อยได้ไปไม่เคยเจอทะเลเลยนะมีคนชวนไปเที่ยวพัทยาสุกเสาร์อาทิตย์เธอก็คิดว่าเออนะไปคืนวันสุกไปเย็นวันสุกกลับมาวันอาทิตย์ ตอนเย็นก็ค่อยไปเยี่ยมป้าก็ได้ปรากฏว่าพอไปเที่ยวเสร็จนะกลับมาถึงโรงพยาบาลตอนเย็นจะเดินเข้าไปห้องไอ u เจอเพื่อนเดินสวนมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าป้าเธอเสียชีวิตแล้วนะเมื่อเช้าวันอาทิตย์นั้นเอง นะเธอเสียใจมากนะผ่านไปสิบปีแล้วเนี่ยเธอก็ยังยังยังร้องไห้นะเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์นี้นะเธอรู้สึกว่าเธอพลาดไปนะที่ผัดผพ้นทำไมถึงผ่าผพ้นก็เพราะคิดว่าป้ายังมีเวลาอีกนานนะ เธอไม่รู้ว่าเวลาของป้าเหลือน้อยลงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอความผิดพลาดนะเพราะผัดผ่อนผัดผ่เพราะประมาทแต่เรื่องที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นความมันมันคือการที่ป้าเนี่ยจากไปเร็วกว่าที่คิด แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นเรานะที่จากไปเร็วกว่าที่คิดและเราก็พบว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำนะบางคนคิดว่าจะดูแลพ่อแม่นะเมื่อสักเมื่อทำมาหาเงินไปได้สักพักแล้วแต่พบว่าอายุแค่สามสิบก็พ่อตัวเปเป็นมะเร็ง แล้วก็าการกระสุดหนักลงจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่เลยก็เสียใจนะว่าไอ้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปเพื่อการดูแลพ่อแม่และตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพ่กลายเป็นคนป่วยไปแล้วก็เสียใจีนะ บางคนก็เสียใจที่ไม่ได้ดูแลลูกนะพ่อแต่ทำงานนะอันนี้ก็ความรู้สึกก็คงไม่ต่างจากโคศกหรือพิธีกรคนเทศมาพึ่งพูดอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลนะหลายคนเนี่ยนะเวลามาคุยกันนะว่า กลัวตายไหมหลายคนบอกกลัวตายถามว่าทําไมกลัวตายเขตอบว่าพ่อยังทําความดีไม่พอกลัวตายแล้วจะไปอบายบานะคนที่พูดนี้ก็อายุมากแล้วนะวัยกลางคนบ้างอายุบางทีก็ถือว่าชราแล้วก็มีมันก็น่าคิดนะเออทําไมถึงไปเวลาให้เรื่องเลยมาจนป่านนี้ แล้วก็รู้สึกว่ายัางทำความดีไม่พอแต่คนเหล่านี่ถ้าเตือนตนอยู่เสมอว่าเวลาของตัวเองเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ย mm hmm. เขาคงจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเขาก็จะเร่งทำความดีเพราะรู้ว่าทำความดีนะมันจะทำให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงในจิตใจและทำให้พร้อมที่จะตายหรือกล้าเผชิญความตายได้ไดมาก ไม่มากขึ้นคำถามนี้ไอ้รัฐประเด็นนี้นก็โยงไปถึงที่คำถามเทตมาย ก, ยกมาสักครู่นะว่าเมื่อเรารู้ว่าความตายใกล้เรามาทุกทีเนี่ยเราพร้อมจะตายหรื อ, อยังคนเราเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ที่ควรทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ความรับผิดชอบที่มีก็สาสางไปจนหมดแล้วนะความดีก็ได้ทำมาจนมั่นใจหรือจนพอเพียงแล้วเนี่ยเขาจะกล้าเผชิญความตายได้มากขึ้นคนที่กลัวตายเนี่ยส่วนใหญ่เพราะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมก็คือว่ายังมีงานที่ค้างคาอยู่ ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําและถ้าสาวไปจริงก็ก็เป็นเรื่องเกี่ยวคนใกล้ตัวนี่แหละพ่อแม่ลูกคนรักนะแล้วก็หลายคนรู้สึกว่ายัางทําความดีไม่พอที่จริงมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่สําคัญก็คือว่าที่จะทําให้คนเราพร้อมหรือไม่พร้อมคือว่า สามารถที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับคนรักได้หรือเปล่าตาแบบที่มีความห่วงหาอะไรมีความมีความยึดติดในพ่อแม่ในคนรักในทรัพย์สมบัตินะก็จะทำให้ไม่พร้อมนะมีหลายคนเนี่ยเมื่อใกล้าตายแล้วเนี่ย พราเขาป่วยหนักเขาพยายามต่อสู้กับความตายนะถามว่าเขาทําไมเขาต่อสู้กับความตายพราะเขาพบว่ายังมีอะรอย่างที่เขาไม่ได้ทํายังมีงานที่ค้างคาอยู่บางคนก็เป็นห่วง ที่ยังไม่ได้ทำมรดกให้กับลูกหลานนะมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นแกไตาวายแล้วแกไปล้างตายอยู่ประจำแกก็ล้างตายมาหลายปีนะแล้ววันหนึ่งแกก็ได้คิดว่าแกคงจะล้างตายได้ไม่เกินสิบปี เพราะนั่นแกก็เลยอยากจะทําพินัยกรรมให้กับลูกๆบอกลูกให้ไปหาทนายความมาแต่ลูกนี่ก็บอกว่าลูกเนี่ยมองว่าการทําพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นลางร้ายลูกก็เลยแกล้งทําเป็นลืมนะไม่ไปเรียกทนายความมาพินัยกรรมก็เลยไม่ได้ทำสักที ก็มีวันหนึ่งหลังจานั้นผ่านไปสองสามอาทิตย์เนี่ยแกก็ไปล้างายที่โรงพยาบาลเช่นเคยปรากฏว่าคราวนี้ความดันขึ้นเซลลูลในสมองแต่ <c oughs> ก็ช่วยกันปัม๊มช่วยกันยื้อกันประมาณสองวันก็ไม่สำเร็จ <c oughs> กุญลุกแกก็ตายแต่ว่าตอนนี้อาการที่แกตายเนี่ยนะมีคนเล่า ว, ว่าแกเนี่ยหน้า น, นิ่วคือขอมวดนะห น, น, น้าน่คือขอมวด แกคงแสดงว่าแกคงมีอะไรที่กังวลใจซึ่งก็หมายความว่าคงตายไม่สงบอะไรที่แกกังวลใจนะก็เดาว่าคงเป็นเรื่องพินัยกรรมแกห่วงเรื่องพินัยกรรมนั้นถ้าหากว่าเรา ยังยังมีสิ่งค้างคาอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่างานการหรือว่าคนรักนะมันก็ทำให้เราเนี่ยต่อสู้ขัดขืนความตายก็ทุรนทุราย และเมื่อถึงเวลาที่จะตายก็ตายไม่สงบบางคนตายนี่ตาเปิดมีพูค้คนหนึ่งนะแกก็ตอนแกเป็นมะเร็งตอนจะตายแกก็เฝ้าแต่ถามถึงลูกชายคนสุดท้องอายุสิบขวบแกเป็นห่วงลูกเพราะว่าลูกของแกสองคนเนี่ย คนโตกับคนกลางเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกแกก็หวงว่าลูกชายอายุสิบขวบเนี่ยจะเป็นอย่างพี่ชายแกก็เฝ้าแต่ถามหนึ่งลูกพอแกตายตายก็เปิดพยายามพยายามปิดตาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมวันลุ่งขึ้นเนี่ยญาติผู้ใหญ่มารับศพก็เห็นตาแกเปิด ก็เดาได้ว่าแกห่วงเรื่องอะไรก็จุดธูปแล้วก็บอกกับผู้ตายว่าลูกชายคนสุดท้องนี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับไปดูแลก็พูด ก, กับผู้ตายแบบนั้นนะแล้วก็ปิดตาพราะว่าไอ้ตาที่เปิดมาทั้งคืนนี่นะมันปิดนะมันปิด เหมือนกับว่าผู้ตายเนี่ยเขาเขสบายใจแล้วนะว่าไอ้ลูกคนสุดท้องนี่คงไม่มีใครปล่อยไปตามยะถา ก, กรรมแต่ถ้าเกิดว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะเขาก็เห็นว่าผู้ตายตาเปิดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะทําให้ผู้ตายนั้นคลายความกังวลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าผู้ตายคงจะ าตายไม่สงบหรือว่ามีเรื่องข้างคาอะไรอาวรณ์ห่วงหานะไปอีกนานก็คงอาจจะไปอบายเลยก็ได้ที่พวดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อเพื่อเตือนใจนะให้เราตระหนักว่า ในขณะที่เวลาเราเหนือเลือนั่งลงไปทุกทีเหลือน่ลงไปทุกทีเราควรสอบถามตรวจสอบตัวเราเองว่านะเราได้ทำหน้าที่ที่ควรทำนะไปมากน้อยแค่ไหนแล้วความรัผิดชอบที่เรามีเราได้ศาสตร์สางไปหมดสิ้นแล้วหรือยัง ความดีที่เราทาความดีที่ควรทำเราได้ทำไปมากจนมั่นใจในในสุขติหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยนะถ้าเราทำได้ถ้าเราตอบว่าเราตอบว่าเราได้ทำหมดแล้วนะมันทำให้เรามีความพร้อมที่จะเผชิญความตายไนดะ้เมื่อเมื่อมันมาถึงซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ การทำความดีนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยกล้าเผชิญความตายได้พระกุธิจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้กล่าวไว้เป็นได้กล่า ว, วประโยคนึงว่าเราไม่เราไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยเราจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง หลายคนเนี่ยนะถ้าหากว่ายังกลัวความตายนะลองทำความดีให้มากมากและเราจะกลัวตายน้อยลงเพราะว่าเรามั่นใจในสุคติหรือว่าในปรารภโลกยังเรื่องที่พระพุทธศาสน์ได้กล่าวอีตอนหนึ่งว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปาราโลกปาราโลกคือพพหน้านะเพราะนั้นการทำความดีนะ การทําความดีไม่ว่าจะเป็นการทําบุญสร้างกุศลหรือว่าเมื่อจะทําดีกับพระหรือทําดีกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากรวมทั้งการทํำดีกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคนรักเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้เราพร้อมที่จะตายแต่ว่า จะพร้อมนะตายมากขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยคนทำความดีหรือว่าคนดีหลายคนเนี่ยปล่อยวางไม่เป็นนะและปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยก็ทำให้ทุกทรมานได้ในเวลาใกล้าตายมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ ใฝ่ใจเรื่องบุญกุศลมากแล้วก็เป็นเจ้ากิจ้าการพาคนไปนะทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดพระป่าท่ากระถิ่นตามวัดในชนบทเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารแกทำมาเป็นส0บยปีแล้วก็น่านุมโมทนามากแต่ว่าวันหนึ่งแกเพวกแกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลามเร็วมากสุดท้ายแกก็ต้องมานอนป่วยที่โรงพยาบาล และพอแกใกล้ต า, ตายนะบกว่าแกกระสับกระส่ายญาติเนี่ยลูกหลานเนี่ยคิดว่าผู้ป่วยเป็นคนธรรมธรรมโมถ้าได้ฟังเทปธรรมะพระสดมนใจก็จะสงบหายกระสับกระส่ายแต่ที่ไหนได้เปิดเทปธรรมะนะมีพระสดมนให้ฟังก็ยังไม่หายยังกระสับกระส่าย ลูกหลายนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นจกกนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกก็ไปกระซิบข้างหูพูดข้างเตียงว่าไอ้โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จปรากฏว่าพอพูดแค่นี้มันโดนใจผู้ป่วยแก อ, อยู่กระสอบกระสายเลยแปลว่าอะไรเมื่อแกห่วงเรื่องโบสถ์ นะแกคงรับปากหรือแกคงลั่นวาจาไว้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จก็ตายไม่ได้ใครที่ลั่นวาจาแบบนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเกิดไม่เสร็จขึ้นมาแล้วความตายมาเนี่ยนะปล่อยวางไม่ได้นี่นะโอ้มันการสร้างบทเป็นของดีนะแต่ว่าถ้าไปยึดกับถ้าไปยึดไม่ปล่อยไม่วางนะมันกลายเป็นโทษ น, นะยึดมั่นถือมั่นในความดียึดมั่นถือมั่นในบุญบุศก็มีโทษ น, นะ ในเวลาใกล้าตายเนี่ยนะมันต้องปล่อยให้หมดหลายคนเนี่ยก็หวงลูกหวงหลานก็นั่นให้ลูกหลานเนี่ยเขาก็เขาก็ไปดีไปได้นะแต่ก็ยังหวงอยู่คนที่หวงแบบนี้เนี่ยถึงเวลาตายก็ตายไม่สงบนะงนั้นต้องรู้จักปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ นะพิัยกรรมเสร็จไม่เสร็จนะถึงเวลาตายถึงเวลาจะตายก็ต้องปล่อยโบสร้างไม่เสร็จถึงเวลาตายก็ต้องปล่อยวางนะลูกจะจบปริญญาหรือไม่นะถึงเ่เวลาจะตายก็ต้องปล่อยวางนะเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยนะก็จะไปอบายได้ไง่ายๆในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระที่ได้จีวรใหม่มา ถ้าก็เป็นพระ ด, ดีนะแต่พอได้จีวรมาเนี่ยสมัยก่อนจีวรเป็นของหายากได้มาก็ดีใจแต่ไม่ทันได้ครองไม่ทันได้ใช้ก็ารา ก, กว่ามารณะภาพซะ ก, ก่อนจิตสุดทา้ายท่าน น, นึกถึงจีวร น, นั้นนะ่ะด้วยความเสียใจด้วยความอาลัยปราก็พอตายนี่ไปไ ป, ไปไหนหรู้ไหมไปเป็นเลนอยู่ในจีวร น, นะยึดมาถือมาในจีวรใช่ไหมก็เลยได้ไปอยู่ใกล้จีวรจริงๆเลยไปเป็นเลน แต่ว่าพอครบเจ็ดวันเลนตายกรรมดีที่ทำไว้ก็หนุนส่งให้ไปเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางสำคัญนะถึงเวลาจะตายต้องรู้จักปล่อยวางแต่ควรเราจะปล่อยวางได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสองเหตุสองปัจจัยนะ หนึ่งก็คือทำกิจทำกิจคือทำหน้าที่เช่นเราทำหน้าที่เราดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกอย่างดีนะอันนี้เรียกว่าทกิจเมื่อเราดูแลดีเนี่ยเราทำกิจได้ง่ายคือปล่อยวางได้ง่ายหรือสองเนี่ยเราเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะสมาธิภาวนาที่เน้นเรื่องการปล่อยวาง นะทําสมาธิภาวนาเพื่อการยึดติดก็มีเยอะนะทำสมาธิเพื่ออยากได้โนู่นอยากได้นี่เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยมันไม่ช่วยเท่าไหร่ทําสมาธิเพื่ออยากได้สีได้แสงได้มีฤทธิ์มีเดชพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ธรรมะพูดถึงถ้าเราทําดีเนี่ยถ้าเราทําสมาธิเนี่ยโดยในเรื่องการปล่อยวางเนี่ยถึงเวลาเราจะเราจะตายเนี่ยนะเราก็ปล่อยวางได้ไม่ว่าเราจะมีความกังวลมีความวิตก มีความหัวห่าอะไรอะไรเนี่ยพอรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางนะดังนั้นนอกการทำความดีแล้วนะเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมหมั่นเจริญสติทำสมาธิภาวนานะแต่คนเราเนี่ยมักจะมีสิ่งกระตุ้นให้ไปทำอย่างอื่น หลายคนก็พูดว่าก็บอกว่าออสมาธิพอนานเป็นของดีนะแต่ว่าเออว่าเนหลังได้ไหมผัดผ่อนไปก่อนนะคืนนี้ตั้งใจนั่งสมาธินะแต่ปรากฏว่าละครซีรีส์ดังตอนสุดท้ายขอเลื่อนไปก่อนนะขอดูละครก่อนนะหรือไม่ก็อะไร The voice หรือว่าแฟนอะลคัตดิมิแฟนตเซียนักสุดท้ายนะ นะคืนนี้ขอผัดผ่อนไปก่อนนิสัยที่ชอบผัดผ่อนเนี่ยนะมันเป็นธรรมดานะแต่อะไรที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยผัดผ่อนน้อยลงคาตอบคือว่ามรณสติถ้าเราเริ่มร้สติเป็นประจำเนี่ยเราจะผัดผ่อนน้อยลงเพราะเราจะรู้สึกล้วความตาดึงใกล้ตัวมากความตาปึงของจริงนะ ตลอดนั้นการหมั่นเริมรรคสติบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเรู้สึกเลยนะว่าไอ้เรื่องที่บูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรีบทําผัดผ่อนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทําความดีการทําซอรที่ภาวนาการให้เวลากับพ่อแม่และลูกนะไม่ใช่โม่แต่ทำมาหาเงินรวมทั้งการขอโทษการบอกรักนะอยากจะบอกรักต้องรีบบอก เพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่เราตายเขาอาจจะตายเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยสองสักสีห้าเดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อจมาจัดอบรมนะแล้วก็ในในคืนหนึ่งเนี่ยก็มีการชักชวนให้ผู้เขารอบรมเนี่ยเขียนถึงเขียนถนึงความในใจต่อคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดแต่ว่า เราคนที่มีบุญคุณกับเราแต่เรารู้สึกห่างเหินมีพี่งค์คนหนึ่งก็เขียนเขียนถึงพ่อว่าพ่อเนี่ยดีกับเขายัางไงบ้างนะเธอเนี่ยรู้สึกเหินห่างกับพ่อนะแต่ว่าเมื่อได้ผ่านกิจกรรมที่ว่านี่ก็ทาให้เห็นความดีของพ่อเขียนเสร็จนะวิทยากร ก, ารก็บอกว่า ที่เขียนเนี่ยให้โทรศัพท์ไปบอกพ่อเลยนะว่าเรารู้สึกอย่างไรกับพ่อหลายคนอึกหลายคนนี่หนักใจเลยนะเพราะว่ามีเรื่องเราหองระแหงกันทั้งที่สิ่งที่จะบอกเขาเนี่ยเป็นของดีนะบอกพ่อบอกแม่เป็นของดีแต่ว่าไม่กล้าหลายคนกล้าที่จะกล้าที่หลายคนรวบรวมความกล้าที่จะโทรศัพท์ไปบอกพ่อบอกแม่แต่พี่มึงคนนี้แก แ ก, แกให้ผลว่าเดี๋ยวผู้นี้ก็ต้องกลับไปบ้านเจอพ่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโทรคืนนี้ก็ได้ไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุผลที่ต้องการผัดผ่อนหรือว่าเป็นความที่แกไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการนะแกก็เลยไม่โทรไปวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ได้ข่าวว่าพ่อขู่คอตายเมื่อคืนเนี่ยแกเสียใจมากเลยนะ แกเชื่อเลยนะว่าถ้าแกโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าเนี่ยรักพ่ออย่างไรพ่ออาจจะดีใจพ่อคงจะดีใจและพ่อคงจะไม่คิดสั้นพ่ออาจจะมีความเป็นคนซึมเศร้าด้ยสักอย่างนี้นะแล้วคนเราเนี่ยมักจะมักจะประมาทเพราะคิดว่ามีเวลาก็เลยผัดผ่อนแต่ถ้าเราตระหนักแต่ถ้าเราเจเริญเรานัาสติเป็นประจำนะคือเราลึกถึงความตายอยู่เสมอ ทั้งความตายของเราและความตายคนที่เราลักเนี่ยเราจะไม่ผัดผ่อนและอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรทำเราจะรีบทำทันทีและถ้าเรารีบทำทันทีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการทำดีคนที่เราลักการสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าการเจริญสติทำสมาที่ำนาฝึกปล่อยวางถึงเวลาเมื่อความตายมาถึงเราก็พร้อม แต่แม้ความตายยังไมไม่ถึงนะน้อก็ทำให้เรามีความสุขในชีวิตในปัจจุบันได้มากขึ้นนะชี่ิจะเต็มอิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใหเ้เราลึกถึงนะถึงคำสามคำนี้เอาไว้อยู่เสมอนะว่าเวลาเราเหลือน้อยลงเวลาเราเหลือน้อย ความตายใกล้เข้ามาและสิ่งนี้มันจะกระตุ้นให้เราเร่งทำความดีเร่งทำสิ่งที่ควรทำและมันช่วยทาให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและเราพร้อมที่จะเผชิญความตายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้วเวลาผสมควรแล้วนะก็ขออยุติเพียงเท่านี้